เป็นจังได้ใจเป็นยังนองจังเกลิอส้อเศร่าว่าแต่เขาอายยังแอบเขายะว่าคืนหลายนองเสริงย่อนคิดน้ำเขาและอายเงาย่อนคิดน้ำภายคนเหตุให้คืดหลายก็อยู่แถวแถวนี่หลาย どうしてもありดとอ้ายว่า ไม่บอกเงิดยังบอกถ้าหัวใจมันบอกว่าใช่เหตุของเลื่อนได้บาดวางทางไอายดอกนอก้องเป็นผู้ยินที่เขาทิมใจน้องยันเชื่อให้บอกพออย่าคิดยังไงก็คิดลายอยู่และ น, อน้อง よいし、ま、ょ。ขอ เห็นน้องเหงาอ้ายก็คืดจนแอ บ, บเหงาต่อขอได้โบอกนัองขอเวลาลบเสลากหัดเขาถ้าหักนั่นคือเส้นชายจุดหมายคือหักสองเฮาอ้ายท่าจนเหงาอ้ายน้องก็เหงาเหงาบวกเหงา アイボンナットニャンドータウォータイムンボークワタイヘッポンルンダイバータウォータイドクノー ยังลายก็คิดไหโลโหละน้องถ้ามีเรียกเริ่มเขาได้บอกโอ้ยน้องจังแม่นวันเว้าอ้ายท่าจม ง, ง่าโอ้ยน้องก็ง่าง่าวบกง่าวนั้นเท่ า, ทากับอัก บองอึดยังดอกถ้าหัวใจมันบอกว่าใช่เหตุผลเลื่อนได้บาดคว้างทางไอายดอกนอก้องเป็นหูยินที่เขาทิมใจาก